มันได้รับทุกถึงความพินาศพรานเบ็ดย่อมทำปลานั้นได้ตามความพอใจพิสุทั้งหลายคำว่าพรานเบ็ดเราหมายเอามานผู้ใจบาปคำว่าเบ็ดเราหมายเอาลาบสการะเลยชื่อเสียงพิสุใด ย, ยินดีพอใจในลาบสการะเลยชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเรากล่าวว่าพิสุนั้นกลืนเบ็ดของมานเข้าไปแล้วย่อมได้รับความทุกทรมานถึงความพินาศอันมา n ผู้ใจบาป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 เราหมายเอาลาบสการะชื่อเสียงคำว่าเชือกเราหมายถึงนันทิราคะคือความกำหนัดเพราะความเพลิดเพลินลาบสการะชื่อเสียงทารุณอย่างนี้ทิกษุทั้งหลายแกะขนยาวเข้าไปสู่ป่าชัดมีหนามมากมันพึงติดหนามอันหนามเกี่ยวไว้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นๆฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นอันลาบสการะและชื่อเสียงครอบงำแล้วย่ํายีจิตแล้ว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 ยังมีอุจจาระกองโต ว, วางอยู่ข้างหน้าอีกชั้นใดพิสุบังรูปก็ฉันนั้นถูกลาบสการะครอบงำย่ำยีแล้วเวลาเช้าเข้าไปบินทบาทในบ้านหรือนิคมฉันตามความต้องการเต็มที่แล้วทายกยังนิมนเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกเธอกลับไปยังอารามอวดอ้างท่ากลางหมู่พิสุถึงลาบสการะนั้นว่านอกจากจะบริบูรณ์ด้วยบิทบาทแล้วยังจะได้จีวรเสนาสนะ และกีฬานภัยสัตว์อีกมากส่วนภิกษุเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิน้อยจึงไม่ได้จิวอนมินทบาทและเสนาสนะกีฬานภัยสัตว์เธออันลาบสการะและชื่อเสียงย่ำหยีแล้วย่อมดูหมินภิกษุอื่นผู้มีศีลมีธรรมข้อ น, นั้นย่อมเป็นไปเพื่อโทษทุกแก่ภิกษุนั้นตลอดกาลนานดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณอย่างนี้เผดร้อนร้ายกาจอย่างนี้ ภิสุตทั้งหลายเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายถูนรับภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นอยู่บนบกก็ไม่สบายอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนตรงไหนก็ไม่สบายไปเสียทั้งนั้นชั้นใดพิกษุ บ, บางรูปก็ฉันนั้นอันลาบสการะและชื่อเสียงครอบงำย่ายีแล้ว จะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สบายภิสษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ด้วยใจของเราว่าคนบางคนไม่ยอมพูดเท็จแม่เพราะถาดทองคำอันเต็มด้วยผงแร่ยั่วยวนแม่เพราะถาดเงินอันเต็มด้วยแร่ทองคาแม่เพราะแท่งทองคำแท่งทองสิงคีแม้เพราะแผ่นดินอันเต็มด้วยทองคาหรือแม้เพราะการสูญเสียชีวิต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 ลาบสักการะและชื่อเสียงเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีนาศเมื่อพระาศาสดาตรัสดังนี้พระอน น, นุ์ได้ทูลถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดเล่าพระเจ้าข้าลาบสักการะและชื่อเสียงจึงเป็นอันตรายแม้แก่พระขีนาศดูกอ่อนอนนุ์ลาบสักการะและชื่อเสียงจะเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตของพระขีนาศก็หาไม่แต่เป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน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 และปฏิบัติตามเพื่อมิให้ลาบสการะและชื่อเสียงครอบงำได้